ส่วนปุช้ยอีก3ามประการก็คือถามถึงประโยชน์ตนถามถึงประโยชน์ผู้อื่นถามถึงประโยชน์ทั้งทั้งสองเนี่ยนะบางคนก็ถามเพื่อประโยชน์ของตัวเองบางคนก็ถามเพื่อจะสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยนะอย่างพาฐันหลายๆรูปเนี่ยถามปัญหาเพื่อจะสงเคราะห์ลูกศิธิ์ของท่านเนี่ยนะต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นมหนมาปุณณมสูตรเนี่ยพาฐันถามปัญหาเพื่อสงเคราะห์ลูกสิธย์หรือภาษาบุตรท่านถามปัญหาเพื่อจะสงเคราะห์ลูกสิษย์ของท่านเนี่ยนะ หรือปุปชชาอีกสามประการก็คือถ human, ามถึงทิฏฐธรรมิกะถประโยชน์คือถามถึงประโยชน์ในปัจจุบันถามถึงประโยชน์ในสัมปรายภพหรือถามถึงประมัทธประโยชน์คือถามถึงพระนิพพานนะถามถึงประโยชน์ในโลกนี้ก็คือถามถึงการประกอบอาชีพเป็นต้นการแสวงหาทรัพย์การรักษาทรัพย์การดูแลทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์อัะนะคำถามลักษณะนี้แหละก็เรียกคำถามในทิฏฐธรรมส่วนคําถามถึงประโยชน์เบื้องหน้าว่าจะไปสู่สุคติได้ยังไงเนี่ยนะก็ถามถึงทานศีลเป็นต้นนั่นแหละ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 ภายในบางทีก็หมายถึงตัวเองภายนอกก็คนอื่นบางทีก็ถามทั้งปัญหาทั้งตัวเองและผู้อื่นปุชัยอีกสามก็คือถามเรื่องกุศลหรือถามเรื่องอกุศลหรือถามอัพยาคตะถามกุศลก็เช่นถามกุศลกรรมบท10เป็นต้นเนี่ยนะหรือถามอริยมรตมีองค์8หรือถามโพธิปัจจะธรรมพวกนี้ก็ถามกุศลหรือถามมักขสัตนะนะส่วนถามอกุศลก็คือถามเรื่องสมุทัยถามเรื่องกิเลสถามเรื่องอกุศลกรรมบท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 ถามโพธิปัจหยธรรมถามสติปฐานว่าสติปทานเป็นไงนะอย่างเงี้ยนะสมะปรปทานเป็นไงนะอิทธิบาทเป็นไงนะหรือถามเรื่องอินทรพละพุทธชงทีก็ถามถึงอริยมรรคถามอริยผลแล้วก็ถามถึงนิพพานมันลักษณะของปุจฉาที่กล่าวไปเนี่ยมีสามสิบหกประเภทสามสิบหกคำถามคือลักษณะคำถามสามสิบหกชนิดเนี่ยนะว่าโดยใหญ่ๆแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วกลุ่มคำถามสามสิหกกลุ่มเนี่ยนะ ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่กว่านั้นก็สิบสองกลุ่มกลุ่มละสามก็เป็นสามสิบหกผู้ที่จะตอบปัญหาก็ต้องแยกแยะวินิจฉัยคําถามเหล่านั้นได้เนติปกรณ์เรียกว่าเอาคําถามเนี่ยมาวิจัยก่อนเนี่ยนะเรียกว่าเอาคําถามนี่มามาวิจัยในะวิจยหาระเนี่ยนะมาไข ค, ควรพิจารณาถึงคําถามเหล่านั้นสรุปคําที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะที่ ปุณกะพราม์เนี่ยถามว่าข้าพระองค์มีความประสงค์ด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ผู้ไม่หวั่นไหวผู้เห็นมูลฤาษีมนุษย์กษัตริย์พราม์เป็นอันมากในโลกอาศัยอะไรจึงพากันแสวงหายันให้แกเท ว, วดาทั้งหลายเนี่ยไง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 สังเกตดูนะเวลาจบทั้งหลายเวลาเขาจบเวลาจะให้ทานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะโอ้อธิษฐานยันยังงั้โอ้ยอธิษฐานเยอะเนี่ยนะโดยมากอ่ะนะ น, น, น้อยคนนักที่จะโดยจิตจริงๆอ่ะตั้งเพื่อพระนิพพานโดยมากก็ตั้งเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสนี่ยนะบางคนก็นะถ้าเท้าจะให้ทานวันใกล้หวยออกแล้วตั้งความปรารถนาเนี่ยมันก็แถวๆนั้นนหะบางคนก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้บุตรเพื่อให้ได้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 ท่านเขาหวังแปลง่ายๆก็หวังวัตถุ ก, กรารมทั้งหลายนี่เลยหวังเป็นจะกรรมมคุณห้าหวังทรัพย์สมบัติหวังเกิดในภพที่ดีตระกูลที่ดีเป็นต้นเนี่ยนะท่านที่เขาทําบุญก็เพราะเขาหวังแบบนั้นซะส่วนใหญ่อ่นนะโดยมากเลยแหละเพราะงั้นถ้าไม่ได้พวกไม่ได้ศึกษาพราะธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดที่ไม่ได้ศึกษาอริยศาสตร์เนี่ยนะโดยมากจะหวังกันแบบนี้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 บางคนก็เพราะเนี่ยความเจ็บป่วยเพราะจะตายเพราะความเศ ร, Speed, ร้าโศกเสียใจพิไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจเนื่องจากมีปัญหาอย่างนี้เพราะเขาก็เลยเที่ยวหาข้าวหาของไปทำบุญตั้งความปรารถนาเพราะฉะนั้นก็เพราะอาศัยชาติชราพญาทีมรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาเนี่ยเลยจึงสวงหายันในเทวดา หรือบางทีก็เพราะอาศัยคติอุบัติปฏิสนที่อาศัยพบอาศัยสงสารอาศัยวะตะัตต์เนี่ยนะเรียกว่าอาศัยเนื่องจากว่าเขามีความทุกข์ในวัตต์ที่ที่ทว่าสัตว์ที่เกิดมาในวะตะัตต์เนี่ยนะที่ไม่ทุกข์ไม่มีเมื่อได้รับความทุกข์ในวัตต์นี่นะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะไปบูชายันเพื่อที่จะนื้อตัวตัวเองจะได้พ้นจากสภาพเหล่านั้นเหล่านั้นแหละก็ไปขออ้อนวอนประลุประลุนั่นแหละ เรียกอะไรนะถ้าผักกลางเขาเรียกว่าจบจบซะหน่อยฮนะจบไปแล้วแต่ว่าขมุขมิดขมุขมิดมาเนะ่ยถ้าอีสานบ้านเฮาคังอ้องอะไเรียกอะไรนะตั้งความปารธนาสายทูเดอร์อะไรก็ว่าไปเนยนะโชคดีที่ฐานมันยาวมากเลยนะพ้นกามหรือเล่ามานู่นนะเกี่ยวกับเรื่องกัรกามรเนี่นะไม่รูปก็เสียงไม่เสียงเงกลิ่นเลนะ ขอให้มั่งขอให้มีขอให้ท่ำขอให้รวยเป็นต้นเนี่ยนะขอกันไปมันสรุปที่กล่าวไปว่าฤาษีมนุษย์กษัตริย์พราหมณ์เป็นอันมากในโลกนี้เหล่าเนี่ยเขาหวังหวังหวังวัตถุกามเนี่ยเพราะฉะนั้นเขามีความทุกข์คือทุกข์ในวะะัฏฏะคือเพราะชราเนี่ยเขาจึงสแสวงหายันแก่เทวดาสแสวงหาเข้าของไปทำบุญเนี่ยก็เพราะว่านี่แหละเพราะหวังนั่นแหละก็เพราะความทุกข์อ่ะนะที่มีอยู่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 บอกปัญหานั้นแก่ข่าพราะองค์เถิดโอ้ยเขาทำกันจังเลยนะว่างั้นนะคำถามมาพูดสำนวนไทยเราอกหูเขาทำกันจังเลยนะเขาบูชาตื่นตะดึกขึ้นมาหุงข้าวใสบาตเป็นต้นเนี่ยนะแล้วแล้วเขาเขากลัวทุกในวัดตาแบบนั้นเนี่ยนะเขาทำกันขนาดนั้นเอาจริงเอาจังขนาดนั้นเขาพ้นชาติชาราบ้างหรือพ้นความเกิดความตายบ้างไหมที่เขาทํากันเนี่ยนะ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 เขาเขาไม่ประมาทกันจริงๆนะเขาไม่ประมาทในยันน่ะนะเขาไม่ประมาทในทางยันของเขาอะ่ะคำว่าไม่ประมาทนี่คือยังไงเขาเนี่ยทาโดยเคารพทาติดต่อบางพวกทาไม่หยุดมีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ทอดทุระอ่นะไม่ปลงฉันทะในทางยัน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 ท่นานเขรียกว่าศพไม่ประมาทในทางยันนะเเอาจริงเอาจังกันมากเพราะฉะนั้นครัถามว่าผู้บูชายันเหล่านั้นเนี่ยได้ข้ามพ้นแล้วคือข้ามขึ้นแล้วข้ามทั่วแล้วก้าวล่วงแล้ว ล, ล่วงไปแล้วซึ่งชาติชรามรณะบ้างหรือมีพ้นทุกข์กันบ้างหรือเปล่าเนาะเนี่ยนะทำกันเอาจริงเอาจังเหลือเกินเนี่ยนะพ้นหรือเปล่าในอ่อนวอเนี่ยขอปะโลกปะลกอยูกก่นั่นนะนะสมสมหวังบ้างหรือเปล่า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 ถ้าเป็นของธรรมานะท่าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยจะไปถามพระองค์ว่าเนี่ยลัทธิในของพระพุทธศาสนาทุกวัดเนี่ยไม่เหมือนกันสักวัดเลยนะวัดไหนมั่งช่วยให้พ้นทุกจริงอะ่ะ <g> ก <ül> ็ไปถามกันถามประเภทนี้เลยไม่เห็นว่าเหมือนกันสักอย่างอะนะไม่เห็นว่าเหมือนกันก็ปฏิบัติกันคนละอย่างอ่นะตอนนี้ดูเหมือนจะว่าพระพุทธเจ้าคนละองแล้วพระธรรมคาสอนกับคนละอย่างคนละลัทธิคนละนิกายนิกายไหนมันเป็นไปตามคําสอนมั่งนะ นี่กายไหนทำให้พ้นทุกข์ได้บ้างนะข้อปฏิบัติไหนถูกต้องนะครไปถามพระพุทธเจ้าแบบนี้ถ้าพระ อ, องค์ยังอยู่นะตอนนี้ก็ถามพระไตรปิฎกไปก่อนนี่ก็เหมือนกันนะเขาเกิดในสมัยนั้นเพราะว่าเขาบูชากันจังเลยพวกอาบน้ำก็ตื่นแต่เช้ามาอาบน้ำอย่างเดียวพวกที่ทำเนี่ยเขาบูแล้วแต่เขานัดเืออะไรนะเขาขายันเหมกมุ่นกับการทาสิ่งนั้นนะเป็นอย่างมากเลยเรียกว่าไม่ประมาท เพราะฉะนั้นผู้บูชายัญเหล่านั้นเขาไม่ประมาทเนี่ยเขาพ้นความแก่ความเกิดความตายบ้างหรือบังั้นพระองค์ก็บอกว่าชนทั้งหลายย่อมหวังเห็นนะหวังก็หวังอะไรก็หวังวัตถุ ก, กามหวังกิเลสกามหวังเกิดในภพที่ดีเนี่ยเขาชมคือย่อมชอบบูชายาศสร้าบแล้วย่อมชอบกามทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่าชนเหล่านั้นประกอบการบูชายัญกําหนัดแล้วด้วยความกําหนัดในภพ ไม่ข้ามพ้นชาติและชาลาไปได้ไม่มีบรรลุเลยว่างั้นนะไม่มีใครพ้นทุกเลยถามวาที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาหวังอ่ะเขาหวังรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเนี่ยนะเขาหวังสิ่งที่ที่มันตายเป็นอ่ะแล้วเขาจะพ้นจากการเกิดได้ยังไงเขาคือจริงๆนวนะทุกคนเหล่านั้นเขาเกิดเขาแก่เขาเจ็บเขาตายอ่ะสิ่งที่เขาทาบุญเป็นต้นเขาก็หวังเขาก็ปรารถนาแต่ความสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน เราะฉะนั้นเขาจึงหวังรูปเสียงกลิ่นรสโภธาภะหวังบุตรหวังภริยาหวังให้ได้ทรัพย์หวังยศหวังความเป็นใหญ่หวังเกิดในสกุลกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลขุราบดีมหาศาลเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีหรือปราถนาแม้กระทั่งพรหมโลกเนี่ยนะก็เลยหวังเขาหวังแบบนี้เมื่อเขาหวังแบบนี้เขาก็ชมชมยันของเขาใหญ่เลยชมว่าเออเนี่ยนะเราเนี่ย ให้แต่ของรักให้แต่ของเจริญใจให้แต่ของประนีตให้แต่ของที่ควรของที่เราให้ก็เลือกให้ให้ของไม่มีโทษให้บ่อยมากอ่ะนะเมื่อกำลังให้ใจก็เลื่อมใสเนี่ยนะชอบมากดีใจมากอ่ะนะเนี่ยแหละที่ราจชมยันก็อย่างที่เราได้ยินใช่ไหมใครไปทำบุญก็ชอบในบุญที่ตัวเองทาอ่ะนะ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 เรียกว่าถึงฝั่งแห่งพรามเลยนะสายลัติคิของเขาอ่ะ